ภาวนานะตั้งหลักให้ดีตั้งสติรู้สึกตัวคนในโลกน่าสงสารมันหลงจิเลศครอบงำได้เพราะมันไม่มีสติไม่มีปัญญาถ้ามีก็มีแต่สมาธิสมาธินี่มันเกิดร่วมกับอกุศลก็ไดนะ้แต่สติกับปัญญานี่เกิดกับจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นนะ พวกเราต้องมีสติไ้ก่อนก่อนจะมีปัญญาได้ต้องมีสติก่อนจิตที่เป็นกุศลนั้นมีสองระดับเป็นกุศลที่ไม่มีปัญญาอย่างหนึ่งกุศลที่มีปัญญาอีกอย่างหนึ่งงั้นมีสติเฉยๆนะยังไม่มีปัญญานี่ถ้าอยากมีวีมุตต์อยากได้วิมุตต์ความหลุดพ้นต้องมีทั้งสติทั้งปัญญามีสติ รู้เท่าทันนะความปรากฏขึ้นความหายไปของตัวสภาวะธรรมรู ป, ปรธรรมนามรธรรมสติเป็นตัวรู้ทันสภาวะว่ามีสภาวะอะไรเกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวรู้ลักษณะคือรู้ว่าสภาวะทั้งหลายนะั้นตกอยู่ใต้ใจลักลักษณะก็คือใจลักนั่นแหละวิธทีเรียกว่าลักษณะลักษณะลักษณะ ที่เป็นกลางๆทั่วๆไปสําหรับธรรมชาติที่ปรุงแต่งทั้งหลายมีส ม, มอย่างอันนี้จังทุกขังอนัตตาเลยเรียกว่าไตรลักษณ์ไตรแปลว่าสลักษณะสอย่างคนที่ไปรู้ลักษณะสอย่างหรืออันใดอันหนึ่งนะัคือตัวปัญญาสติเป็นตัวรู้รูปธรรมนามธรรม ท, ที่เกิดขึ้นปัญญาเป็นตัวเห็นความจริง ว่ารูปธรรมานามธรรมนั้นเป็นไตรลักษณ์เนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาแก่รอบนะรู้เลยสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดมานะล้นแต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เกิดแล้วดับทั้งสิ้นนี่รู้รวบยอดเป็นพระโสดาบันไม่มีตัวมีตนสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วดับทั้งสิ้นไม่มีสิ่งที่เป็นตัวตนทาวร น, นี่เห็นอนัตตาก็นะเป็นพระโสดาบันไม่มีตัวมีตน งเครื่องมือที่เราต้องพัฒนาขึ้นมานะตัวแรกชื่อว่าสติตัวที่สองชื่อว่าปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันลักษณะที่กําลังปรากฏอยู่ปัญญาเข้าใจความเป็นจริงอของสภาวะสติเป็นตัวรู้สภาวะที่เกิดขึ้นมาปัญญาเป็นตัวเข้าใจความเป็นจริงของสภาวะว่าตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั้นปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทนันปัญญาเป็นตัวเข้าใจนะ ถ้ามีสองตัวเนี้ยถึงจะเอาตัวรอดได้ได้มักได้ผลได้ถ้ามีสติอย่างเดียวไม่เดินปัญญาได้ไหมไม่เดินปัญญาในขั้นวิปัสสนามีเยอะเลยไม่ใช่มีน้อยๆ อ, อย่างบางคนบอกดูจิตดูจิตใครเป็นคนรู้จิตไม่ใช่ปัญญารู้จิตสติเป็นคนไปรู้จิตเข้า เพราะนอย่างบางคนดูจิตนะไปจ้องอยู่ที่จิตนะสติจดจ่ออยู่กับจิตไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยนิ่งอยู่อย่างนั้นนี่ไม่มีปัญญาถ้าจะมีปัญญาต้องเห็นเลยตัวจิตนั่นเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์เกิดแล้วก็ดับไปทนอยู่ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งได้ไม่นานเช่นจิตสุขก็อยู่ไม่นานจิตทุกข์ก็อยู่ไม่นานจิตโลภจิตโกรธจิตหลงก็อยู่ไม่นานจิตที่เป็นกุศลก็อยู่ไม่นานทนอยู่ได้ไม่นานนี่เรียกว่าทุกขัง จิตนั้นจะดีจะเลวจะสุขจะทุกข์เราสั่งไม่ได้เป็นไปนตามเหตุสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามใจอยากไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับนี่เรียกว่าอนัตตาอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีอย่าไปแปลอนัตตาว่าไม่มีนะบางคนคิดว่าอนัตตาแปลว่าไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐนะิมิจฉาทิฏฐิประเภทขาดศูนชื่อว่าอุเฉท ท, ทิฏฐิ มิจฉาทิฏฐิชนิดว่าไม่มีอะไรเลยชื่อนัตถิกะทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐินานาชนิดอนัตตาไม่ได้แปลว่าไม่มีแต่อนาัตตาหมายถึงว่าสิ่งทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจไม่ใช่สิ่งที่อยู่ในอำนาจบังคับได้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุอย่างไฟไหม้ต้องมีเหตุไฟถึงจะไหม้ไฟไหม้แล้วไป น, นึกอยากให้มันดับโดยที่เหตุมันยังไม่ดับไฟก็ไม่ดับ ดัสิ่งทั้งหลายเป็นไปตามเหตุถ้ามีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เข้าใจตรงนี้แหละเรียกว่าเข้าใจอนัตตาไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยนะยังมีพ่อมีแม่ไหมมีนะมีโดยสมมุติว่ามีนะเขยังมีเหตุอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรเลยพ่อไม่มีแม่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรๆก็ไม่มีนั่นมิชาติธินั่นเราต้องมามีนะเครื่องมือคือสติกับปัญญา สติเป็นตัวรู้ทันปัญญาเป็นตัวเข้าใจรู้ทันอะไรรู้ทันความมีอยู่ของรูปของนามของกายของใจเข้าใจอะไรเข้าใจความเป็นจริงของรูปของนามของกายของใจความจริงของรูปนามกายใจคือไตรลักษณ์นะงั้นถ้าเข้าใจอย่างอื่นไม่ใช่วิปัสสนานะต้องเข้าใจไตรลักษณ์ของรูปนามด้วยถึงจะเป็นวิปัสสนาเข้าใจเอกลักษณ์ของนิพพาน นิพพานไม่มีไตรลักษณ์นิพพานมีเอกลักษณ์มีความเป็นอนัตตาอย่างเดียวคือไม่อยู่ในอำนาจบังคับของใครทั้งสิ้นแต่นิพพานเที่ยงนิพพานเป็นสุคนิพพานมีลักษณะอย่างเดียวไม่มีไตรลักษณ์ให้ดูอันนี้เราไม่ต้องอามาทำํำนิพพานอะไรนะเพราะคนที่เห็นนิพพานนะเก็ไม่ทําวิปัสานาแล้วก็ทําเสร็จแล้วนี่ของเรามีรูปมีนามนะดูรูปดูนามไปมีสติรู้รูป ร, รู้นามรู้กายรู้ใจนะ แล้วก็รู้ด้วยปัญญาเห็นความจริงของรูปนามกายใจว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทำยังไงจะเกิดปัญญาปัญญามีสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีสติอย่างเดียวไม่มีปัญญานะสมาธิมีสองชนิดสมาธิชนิดที่หนนะเป็นสมาธิที่จิตสงบแนบอยู่ในตัวอารมณ์ จิตแนบเพอไปที่ตัวอารมณ์นะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานหลวงปู่เทศจะเรียกว่าฌานเขาเรียกย่อๆว่าฌานคือจิตมันไปเพ่งแนบลงไปนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวยกตัวอย่างเรารู้ลมหายใจนะจิตแนบอยู่ที่ลมหายใจจิตไหลไปเกาะนิ่งอยู่กับลมหายใจมีสมาธิชื่ออารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์คือเพ่งลมหายใจไปดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปนิ่งอยู่ที่ท้องสงบอยู่ที่ท้อง เป็นอารามณูปนิชฌานเดินจงกรมจิตไหลไปนิ่งอยู่ที่เท้าก็เป็นอารามณูปนิชฌานเป็นการเพ่งตัวอารมณ์ขยับมือทําจังหวะจิตเพ่งอยู่ที่มือนี่ก็คืออารามณูปนิชฌานอารามณะก็คือตัวอารมณ์นั่นเองคนไทยเรียกว่าอารมณ์แขกเขาเรียกอารม์อารามณะของเราเรียกอารมณ์มี่นอนเนนการใช่ไหมอารามณะถ้าเพ่งตัวอารมณ์เมื่อไหร่นะเป็นสมถะเมื่อนั้น ดูจิตก็เหมือนกันนะอย่านึกว่าดูจิตจะเป็นวิปัสสนาพวกที่ดูจิตดูจิตถ้าดูไม่เป็นนั้นได้แค่สมถะเช่นดูจิตนะไปประคองจิตให้นิ่งให้ว่างมีสติจ่ออยู่ที่จิตทํานองเดียวกับที่เวลาไปรู้ลมหายใจนะสติมันไหลลงไปอยู่ในลมอันนี้เวลาดูจิตนะก็สติไหลลงไปอยู่ในจิตไปจอนิ่งอยู่ที่จิตและนั้นคือการเพ่งจิต จิตเป็นของถูกเพ่งอะไรเป็นของถูกเพ่งอะไรเป็นของถูกรู้มีศัพท์เทคนิคเรียกว่าอารมณ์ balances. อารมณ์ Reading. คือสิ่งที่ถูกรู้นะสิ่งที่คู่กับอารมณ์คือจิตจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์อารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรู้เพราะงั้นบางทีเราไปรู้ลมหายใจลมหายใจถูกจิตรู้อันนี้เรียกว่าอารมณ์เราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนในร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนนี่ถูกจิตรู้เรียกว่าอารมณ์นะ ความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าอันนี้เรียกว่าอารมณ์ตัวจิตเองมีสองสถานะส่วนจิตเองเป็นทั้งตัวจิตคือเป็นคนรู้อารมณ์ด้วยแล้วมันรู้ตัวเองได้ด้วยมันรู้ตัวเองได้ด้วยแต่มันไม่ใช่จิตตัวเดียวตัวเดิมที่ไปรู้มันจะมีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตามหลังจิตดวงแรกมาเช่นจิตดวงที่หนึ่งเป็นจิตโกรธจิตอีกดวงหนึ่งระลึกได้ว่าเมื่อกี้นี่โกรธ จิตดวงที่เราลึกได้ว่าเมื่อกี้โกรธเนี่ยจิตดวงนี้ไม่มีความโกรธแล้วคนละดวงกันจิตคนละลักษณะกันเพราะฉะนั้นตัวจิตทีแรกเป็นจิตที่โกรธตัวนี้กําลังเสวยอารมณ์อยู่กำลังเป็นจิตที่สวยอารมณ์เป็นตัวรู้มันไปรู้อารมณ์ที่ทําให้โกรธจิตอีกดวงหนึ่งไปรู้ทันจิตดวงก่อนเพราะฉะนั้นจิตดวงแรกเนี่ยเปลี่ยนสถานะจากตัวจิตกลายเป็นตัวอารมณ์ไปแล้วกลายเป็นสิ่งที่ถูกรู้ มันเปลี่ยนสถานะได้นะหมดสภาพความเป็นจิตผู้รู้ภรรกายเป็นเป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้านะเพราะฉั้นตัวจิตเองก็รู้จิตนะเราะนั้นจิตก็เป็นตัวรู้จิตจิตเป็นคนรู้กายจิตเป็นคนรู้เวทนาจิตเป็นคนรู้สังขารจิตเป็นคนรู้สัญญาจิตก็เป็นคนรู้จิตช่วงไหนทําหน้าที่รู้ช่วงนั้นก็ทําหน้าที่ของจิตช่วงไหนถูกรู้ช่วงนั้นทาหน้าที่ของอารมณ์ งันถ้าเมาไ่ไรจิตเราแนบเข้ากับตัวอารมณ์นะเรื่องอารมณนูปณิชฌานเป็นสมถะกรรมฐานทันทีเลยไม่ว่าจะเพ่งอะไรเพ่งลมหายใจเพ่งมือเพ่งเท้าเพ่งท้องกระทั่งเพ่งจิตก็เป็นสมถะต้องระวังนะไม่ใช่ดูจิตแล้วเป็นวิปัสสนาเสมอไปถ้าจะดูจิตให้เป็นวิปัสสนาต้องใช้สมาธิอีกชนิดหนึ่งนะชื่อล an an ักขณูปณิชฌานลักขณูปณิชฌานก็คือเห็นลักษณะนั่นเองนะ ลัคนูปนิชฌานเนี่ยจิตตั้งมั่นในการเห็นลักษณะลักษณะคือเห็นไตรลักษณ์จิตตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามของกายของใจนะของธาตุของขันธ์ของอายตนะะจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูขึ้นมาเมื่อ 20- 30ปีก่อนนะเวลาเข้าวัดสมัยน้นครูบาอาจารย์เยอะแยะเลยไปอีสานนี่นะโอ้ยสนุกมากเลยวิ่งรถไปแป๊บเดียวก็เจอวัดหนึ่งแล้วเจออาจารย์องหนึ่งนะ ออกจากวัดนี้วิ่งไปหน่อยหนึ่งก็เจออีกวงแล้วเ<ม>นะยอะแยะไปหมดเลยไปทีหนึ่งมีความสุขเดี๋ยวนี้ไปเราแห้งแล้งนะวิ่งไปองนี้มรณภาพแล้ววิ่งไปมรณะแล้วองนี้ใกล้มรณะอะไรเงี้ยนะคือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเราไม่เหมือนกันหรอกสมัยโน้นนักเข้าวัดไหนนะผู้อาจารย์พูดคาว่าผู้รู้ผู้รู้ผู้แทบมีผู้รู้นะถ้าเราไม่ได้มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเราจะเห็นลักษณะ ของรูปนามไม่ได้เลยเห็นความเป็นใตรักของรูปของนามไม่ได้การที่ท่านบอกให้มีจิตผู้รู้ผู้รู้ก็คือมีจิตซึ่งทรงลักขณูปนิชฌานอยู่จิตที่มีรักขณูปนิชฌานไม่ใช่จิตที่มีอารัมมณูปนิชฌานพวกเราพยายามจำสองคานี้ไว้นะอารัมมณูปนิชฌานเพ่งอารมณ์เป็นสมถะรักขณูปนิชฌานเห็นลักษณะเป็นเดินวิปัสสนาหลวงปู่เทศท่านไม่ใช่สองคำนี้ท่านท่านยืมคําอื่นมาใช้ จิตที่ไปเพ่งอารมณ์เนี่ยท่าเรียกว่าฌานจิตที่เห็นลักษณะเนี่ยท่าเรียกสมาธิดังนั้นท่านจะสอนอยู่ตลอดเวลาเรื่องฌานกับสมาธิคนแต่ก่อนไม่ค่อยเข้าใจว่าท่านสอนอะไรความจริงท่านเก่งเรื่องสมาธิไม่มีใครจับในยุคนน้นนะไม่มีใครท้าบท่านเพราะอะไรท่านติดสมถะอยู่ตั้งสิบกว่าปีเนี่ยสิบสปีนั้นติดสมถะอยู่ดังนั้นกานที่ท่านติดอยู่นี่ทำให้ท่านเชี่ยวชาญมากเลยสุดท้ายท่านก็ค้นพบว่าสมาธิมี2แบบ นี่ท่านคนมาได้ด้วยการปฏิบัตินะไม่ธรรมดานะจากการปฏิบัติท่านพบว่าสมาธิมีสองแบบชนิดที่1นึ่ท่านเรียกว่าฌานคําว่าฌานของท่านก็ตรงกับคําว่าอารามณูปนิชฌานนั่เพ่งอารมณ์ใช้ทำสมถะชนิดที่2ท่านเรียกว่าสมาธิอันนี้คือตัวสัมมาสมาธิหรือลักขณูปนิชฌานเอาไว้เดินปัญญาอาไว้ทํำพิปัสนาดังั้นเราต้องพัฒนานะสมาธิช่วงนี้จิตฟุ้งซ่านต้องการพักผ่อน เราทำสมาธิชนิดสงบทำอารามณูปนิชฌานถ้าช่วงนี้ต้องการเดินปัญญาเราต้องมีรักขณูปนิชฌานนะคนละแบบอารามณูปนิชฌานเนี่ยจิตจะแนบสงบนิ่งอยู่ในตัวอารมณ์โดยที่ไม่ได้บังคับถ้าบังคับไม่ใช่ยังไม่ใช่ของจริงถ้าบังคับอยู่จิตไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอยากจะให้จิตสงบนะทำสมาธเนี่ยมีเคล็ดลับอย่าไปบังคับจิตทำให้สบายสบาย เช่นพุทโธไปแล้วมีความสุขก็พุทโธไปคนไหนหายใจแล้วมีความสุขก็หายใจไปคนไหนหายใจด้วยพุทโธด้วยหายใจเข้าพุทหายใจออกโธแล้วมีความสุขก็หายใจเข้าพุทออกโทไปคนไหนดูท้องพองยุบแล้วจิตใจมีความสุขก็ดูท้องฟองยุบคนไหนรู้อิริยาบถ4ยืนเดินนั่งนอนแล้วมีความสุขรู้อิริยาบถสี่ไปรู้สบายๆเมื่อจิตมันมีความสุขอยู่ในอารมณ์ใดนะมันมีความสุขซะแล้วเนี่ยมันจะไม่วิ่งพลาดไปหาอารมณ์อื่น เห็นไมจิตมันไม่ไปเองไม่ฟุ้งซ่านเองไม่ใช่ไปบังคับไม่ให้ฟุ้งซ่านถ้าคืนไปบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านนะยิ่งฟุ้งหนักกว่าเก่าที่พวกเราหันนั่งสมาธิแล้วไม่สงบรู้สึกไหมยิ่งเครียดหนักเข้าไปใหญ่อยากให้สงบยิ่งไม่สงบใหญ่ต้องให้มันมีความสุขนะเช่นพุทโธแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับพุทโธอย่างหลวงพ่อตั้งแต่เด็กมานะหายใจแล้วมีความสุขถนัดรู้ลมหายใจแล้วก็หายใจแล้วก็มีความสุขพอจิตมันมีความสุขแล้วจิตก็ไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่น การที่จิตวิ่งเที่ยวหาอารมณ์อารมณ์มัโน้นอารมณ์นี้นะเพราะมันวิ่งหาความสุขนั่นแหละอย่างพวกเราวิ่งพล่านๆแต่ละวันนึกออกไหมเช้าก็วิ่งพล่านมาสวนสันติธรรมหวังว่าจะมีความสุขออกจากสวนสันติธรรมวิ่งพล่านไปหาของอร่อยกินแล้วจะมีความสุขใช่ไหมออมาวัดกินของไม่ค่อยอร่อยหรือของอร่อยก็มีให้ไม่พออนี่เนี่ย น, น, น, น, นะกินมากเดี๋ยวเพื่อนก็มองน ะ, นะออกจากวัดได้ก็วิ่งไปก่อนเลยไปหาของกินเห็นไหมมีความสุข มีสุขไม่ไม่พอแล้วอิ่มอยากกลับบ้านนอนแนละ้วิ่งพลาดกลับบ้านไปอีกเนะนี่ยการที่ร่างกายเราวิ่งพลาดพลาไปเพราะจิตเรามันหิวอารมณนะ์จิตนี้เหมือนกันแหะมันวิ่งพลาดตลอดเวลานะมันหิวอารมณ์โน้นหิวอารมณ์นี้ตลอดเวลานะมันเพื่ออะไรเพื่อจะหาความสุขแต่ถ้ามันมีความสุขซะแล้วนะมันจะยินดีพอใจอยู่ในอารมณ์นั้นไม่พลาดไปหาอารมณ์อื่นเนี่ยคือหลักของการทําสมถกรรมฐานนะง่ายๆแค่นี้แหละ แล้วเราเลือกอารมณ์ที่เราไปอยู่แล้วมีความสุขนะอย่างหลวงพ่อรู้ลมหายใจแล้วมีความสุขนี่หายใจหายใจแล้วมีความสุขมีความสุขให้ดูหายใจแล้วมีความสุขเราก็อยู่กับลมหายใจจิตจะไม่พล่านไปที่อื่นนี่จิตสงบเนี่ยเคล็ดลับอยู่ตรงนี้นะงั้นถ้ารู้เลือกอารมณ์ที่อยู่แล้วมีความสุขนะมาให้จิตอยู่จิตจะไม่ฟุ้งซ่านจะได้สมาธิได้สมถะได้สมถะ สมสถานี้เอาไว้ทําอะไรมีประโยชน์ไหมมีเอาไว้พักผ่อนถ้าจิตใจไม่เคยได้พักผ่อนเลยจิตจะไม่มีกําลังเดินพิพิธนาไม่เข้มแข็งจริงนะเพราะฉะนั้นถึงเวลาก็ทําความสงบพักผ่อนนะจิตใจต้องการการพักผ่อนถึงไม่อยากพักมันก็พักของมันเองพวกที่ดูจิตดูจิตเนี่ยสังเกตให้ดีเถอะจิตไม่ได้เดินปัญญาตลอดเวลาจิตจะพลิกเข้าไปนิ่งๆรู้ตัวแล้วก็นิ่งๆเฉยๆอยู่เนี่ ย, ย, ยบ่อยมากเลยบ่อยยิ่งประเดินปัญญาซะอีกนึกออกไหม เพราะงั้นพื้นฐานส่วนใหญ่นะกระทั่งพวกดูจิตนะทำสมถะอยู่นะระวังนะจิตจะขึ้นมาเดินปัญญาในะช่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเดินปัญญานิดๆหน่อยๆนะแล้วก็กลับไปนิ่งๆว่างๆอีกช่วงหนึ่งแล้วก็ลุกขึ้นมาเดินปัญญาอีกอันนี้สําหรับนักปฏิบัติที่ดีถ้านักปฏิบัติที่ไม่ดีนะนิ่งๆว่างๆแล้วก็ฝันไปเลยนี่พวกหนึ่งนะหรือมาเดินปัญญานิดหน่อยสมาธิไม่พอแล้ฟุ้งซ่านอุตรุดไปเลยนี่ใช้ไม่ได้แล้วนะนี่สมาธิชนิดที่1 น, นะ เป็นสมาธิที่จิตแนบอยู่ที่ตัวอารมณ์จะเป็นสมถะอยากให้ได้ความสงบจริงๆรู้จักเลือกอารมณ์ที่จิตสบายถ้าจิตสบายอยู่ในอารมณ์อะไรอันนั้นแล้วจิตจะไม่ฟุ้งซ่านไปสู่อารมณ์อื่นจิตก็สงบอยู่ในอารมณ์ันเดียวนี่แหละคือหลักของสมถะกรรมฐานง่ายไหมเนี่ยสอนจนเปิดเผยกระจ่างแจ้งแล้วนะไม่รู้จะแจ้งอย่างนี้วันนี้ยังไงแล้วกนะว่าจะแจ้งอย่างนี้นะลมลุกคลุกคลานมาหนักนะ หลวงพ่อทำสมถนะ22่สิบปีกว่าจะจับหลักได้พมาจับหลักได้ตอนที่มาเจอครูบาอาจารย์แล้วเข้าวัดไหนท่านก็พูดผู้รู้ผู้รู้เอ๊ะที่ผ่านมาเราทําไมไม่รู้จักคําว่าผู้รู้อ่ะนะเรามีแต่สงบสงบนะทุกวันก็ฝึกให้สงบมาไหนฟุ้งซ่านไปก็ต้องฝึกให้สงบเข้ามามุ่งออกสงบไม่ได้เอาผู้รู้นี่ได้ยินคําว่าผู้รู้ผู้รู้หรือค่อยๆสังเกตโอ้อะไรเป็นผู้รู้จิตนั่นแหละเป็นผู้รูนะ้อะไรตรงข้ามกับจิตอารมณ์ อารมณ์เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้างั้นต่อไปนี้เอาใหม่รู้อารมณ์แล้วก็รู้ทันจิตนะพุทโธพุทโธพุทโธไปจิตหนีไปคิดเรารู้ทันนี่พุทโธพุทโธจิตหนีไปคิดเรารู้ทันหรือรู้ลมหายใจก็ได้หลวงพ่อถนัดลมหายใจรู้ลมหายใจไปหรือจิตหนีไปคิดเรารู้ทันแม้ไม่มุ่งเอาที่ความสงบนะแต่มุ่งเอาที่ความรู้ทันจิตที่ไหลไปพอเรารู้ทันจิตที่ไหลบ่อยๆหรือบางคนขยับมือขยับมือจิตไหลไปอยู่ที่มือบ้างไหลไปคิดเรื่องอื่นบ้าง รู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปนะเรารู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปนะจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้หลงผู้ไหลคนไทยเก่งนะบัญญัติศัพท์แต่และคําคําว่าหลงไหลไหลจริงๆนะรู้สึกไหมถ้าเราภาวนาไม่เป็นเราจะไม่เข้าใจคําว่าหลงไหลไหลไหมไหลเห็นไหมเก่งนะคนโบราณแสดงว่าคนไทยโบราณเนี้ยดูจิตเก่งมากเลยเก่งมากเลยหลงไหลใจดำํำดำไหม ใจดีดีไมเห็นไหมสารพัดเลยนะเก่งจริงๆงั้นจิตมันจะหลงไหลไปถ้าเรารู้ว่าจิตหลงไปไหลไปนะรู้ทันนจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาไม่หลงไม่ไหลนะตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตที่ไหลไปนั่นแหละเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งจิตที่รู้สึกขึ้นมานั่นแหะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นหลวงปู่เทศเจาะลงมาตรงนี้สอนอีกสองคำที่แรกสอนเรื่องฌานกับสมาธิ ฌานคืออารมณุปนิชฌานนะสมาธิคือรักขณูปนิชฌานธรรมะอีกคู่หนึ่งที่ท่านสอนประจำนะจิตกระใจท่านสอนมารถจิตอันใดใจอันนั้นคือเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ว่ามันต่างกันจิตนั้นเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เป็นแยกออกเป็นสองอันนะ น, นเราต้องฝึกนะให้มันมีใจดูออกจากโลกของความคิดนึกปรุงแต่ง ท่านบอกใครเข้าถึงใจนะเข้าถึงความเป็นกลางผู้ใดเข้าถึงความเป็นกลางจะพ้นจากทุกทั้งปวงโอ้สอนเฉียบขาดมากเลยนะท่านสอนอยู่ไม่กี่ประโยคไม่เหมือนหลวงพ่อนะสอนเยอะมากเลยแต่ท่านสอนอยู่ไม่กี่คำหรอกเรื่องจิตกระใจเรื่องฌานกับสมาธิเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่มันไม่เป็นสมาธิจิตชอบไหลแล้วก็ไม่เป็นใจมันเป็นจิตที่คิดนึกปงแต่งไปทั้งวันไม่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน อันนี้ก็เป็นศัพ์บัญญัติเฉพาะของท่านนะไม่เป็นมาตรฐานสากลแบบอภิธรรมหรอกนะถ้าอย่างอภิธรรมนะจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยถ้าชื่อตามตําราเลยนะคือมหากุศุ ล, ลจิตนะยานสัมปยุทธนะอสังขาริกงังชื่อยาวนะนี่เรียกย่อๆแล้วนะยังมีประกาศเรื่องเวทนาอีกสองอย่างด้วยนะประกอบด้วยโสมนัสนะเนี่ย เป็นมหากุศุรจิตประกอบด้วยโสมนัสประกอบด้วยปัญญาเกิดโดยไม่ได้จ้งใจให้เกิดนะหรือเป็นมหากรุสุรจิตประกอบด้วยอุเบกขาเวทนานะประกอบด้วยปัญญาไม่ได้จงใจให้เกิดงั้นะตัวที่จิตเป็นผู้รู้เนี่ยจริงๆมีสองดวงดวงหนึ่งเป็นผู้รู้แล้วมีความสุขดวงหนึ่งเป็นผู้รู้แล้วเป็นกลางๆพวกเรารู้สึกไหมตอนที่จิตเป็นผู้รู้บางครั้งมีความสุขเวยขึ้นมานึกออกไหม เนี่ยอยู่ในตำราหมดเลยนะแต่เราพลิกตำราไม่เป็นเองอะนะ mm hmm. พวกพวกอ่านตำราเป็นมันก็ไม่เห็นของจริงอีกนะสังเกตไหมเวลาที่เราภาวนานีจิตบางดวงมีความสุขผุดขึ้นมาเองใช่ไหมผุดเองนึกออกไหมมันถึงตรงกับคำว่าอาศังขาริกังไม่ได้จงใจให้เกิดมันเกิดเองนะจิตที่มันเกิดได้เองนะี่เป็นจิตที่มีแรงมีกําลังกล้าจิตที่ต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดมีกําลังอ่อนอย่างจิตของบางคนนะกระทั่งทําชั่ว ทำชั่วบางคนความชั่วมีกําลังกล้านะไม่ต้องโน้มน้าวชักจูงเลยมันทำชั่วได้เองเลยนะบางคนต้องโน้มน้าวนานกว่าจะยอมทําชั่วไดนะ้อันนี้จิตชั่วมีกําลังอ่อนจิตดีก็เหมือนกันนะถ้าต้องโน้มน้าวชักจูงให้เกิดเนี่ยเป็นจิตดีที่มีกําลังอ่อนเช่นเพื่อนมาชวนตั้งนานถึงจะยอมไปฟังเทศเนะี่ยเป็นจิตที่เป็นกุศลนะแต่มีกําลังอ่อนอาศัยการชักชวนนะพวกนี้ได้บุญนะแต่บุญน้อยหน่อยเนี่ย พวกที่อยากมาด้วยตัวเองจิตมันอยากฟังทำด้วยตัวเองเนี่ยเป็นจิตที่มีปัญญามีกำลังกล้านะมีกำลังกล้าพวกนี้ได้บุญแรงกว่าเห็นไหมมันชัดเจนนะธรรมะที่พระเจ้าสอนแนละ้วไม่ใช่กระจอกนะท่านจำแนแกแยกแยะละเอียดยิบเลยนี่พวกเราเรียนน้องเรียนให้ได้เรื่องนะไม่ใช่มั่วๆนี่ต้องฝึกนะจนกระทังจิตของเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นวิธีฝึกจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นก็คือต้องหลุดออกมาจากโลกของความคิดให้ได้ เพราะมันตรงข้ามกับจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งถ้าเมื่อไหร่หลุดจากจิตที่เป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งก็เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็แค่นี้เองง่ายแค่นี้แหละมันเหมือนหลักของสมถะนะหลักสมถะนีถ้าจิตอยู่ในอารมณ์ที่มีความสุขแล้วจิตจะไม่วิ่งพล่านไปหาอารมณ์อื่นจิตจะสงบนี่หลักของสมถะถ้าหลักของวิปัสสนานี่แหละรู้ทันจิตที่มันปรุงแต่งนี่แหละพอมันหลุดออกจากจิตที่คิดนึกปรุงแต่งเมื่ออยู่จิตที่รู้สึกตัวขึ้นมา เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานงั้นพวกเราคอยหัดไปนะหัดพุดโทโธก็ได้หัดหายใจก็ได้นะแล้วก็คอยรู้ทันจิตความต่างมันอยู่ตรงนี้บางคนพุโทโธไปหายใจไปแล้วจิตแนบไปอยู่ที่พุโทโธสงบอยู่กับพุทโธสงบอยู่กับลมหายใจนั่นเป็นสมถะเป็นวิธีฝึกให้เกิดส ม, สมถะถ้าจะฝึกให้ได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยก็พุทโธไปหายใจไปเหมือนเดิมนันะ่นแหละแต่รู้ทันจิตเนี่ยปรับตัวมองนะ ไม่ได้ฝึกให้จิตนิ่งสงบแล้วแต่เป็นคอยรู้ทันจิตพุโทโธไว้แล้วรู้ทันจิตนะครูบาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อนะชื่อท่านอาจารย์บุญจันทร์ทั้มผาพึ่งองค์นี้เก่งมากเลยนะองค์นี้ท่านสอนนะพุโทโธใจรู้พุโทโธรู้ใจไม่ใช่พุโทโธเฉยๆนะพุโทโธแล้วก็รู้ทันใจตัวเองไปนี่แหละพอพุโทโธเรารู้ทันใจนะจิตไหลไปรู้ทันไหลไปรู้ทันจิตเนี่ยตั้งขึ้นมาเป็นผู้รู้นะ เขาได้จิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนึกว่าจิตมีลักขณูปนิชฌานแะจิตดวงนี้พร้อมที่จะเดินปัญญาล้เราใช้สติระลึกรู้รูปรู้นามนะด้วยจิต ท, ที่ตั้งมั่นจิต ท, ที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยจิตดวเนี้จะตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางนะลักษณะเด็ดของมันนะทำไมมันเป็นกลางเพราะมันเป็นใจมันไม่ใช่เป็นจิตหลวงปู่เทสบอกว่าใจแปลว่ากลางเพราะงั้นะ ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะบอกว่าให้พวกเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางมีสติใช่ไหมแล้วก็รู้กายรู้ใจเนี่ยสติเป็นคนไปรู้กายรู้ใจส่วนที่รู้ตามความเป็นจริงนะั้นปัญญาเป็นตัวรู้ความเป็นจริงคือไตรลักษณ์จะมีปัญญารู้ความจริงได้เนี่ยต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นแหละแต่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ไม่หลงอยู่ในความยินดีไม่หลงอยู่ในความยินร้ายทําได้ไหมค่อยๆพัฒนาเครื่องมือพวกนี้ขึ้นมานะพัฒนาสตินะพัฒนาสมาธิขึ้นมาพัฒนาการเจริญปัญญาขึ้นมาค่อยๆเรียนไปนะไม่ยากเท่าที่คิดหรอกฟังใหม่ๆก็รู้สึกเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปเนี่ยเพื่อย่นเวลาให้เรานะถ้าฟังรู้เรื่องเราจะประหยัดเวลาในการภาวนาไปเยอะเลยไม่ต้องเสียเวลารูปคลำเหมือนหลวงพ่อใช้เวลารูปครลำนานนะเรื่องสมาธิก็คลำอยู่นานนะ จะเข้าใจหลักของมันเรื่องวิปัสสนาก็ครําอยู่นานกว่าจะเข้าใจหลักของมันนี่เอาหลักมาบอกให้อุตสาห์ค้นคว้ามานะแจกให้ฟรีๆใครรับได้แค่ไหนก็แล้วแต่บุญวาสนาเนา ะ, ะค่อยฝึกเอาวันนี้ยังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกแล้วค่อยๆฝึกไปวันหนึ่งก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นไปนะงั้นต้องรู้จักจิตสองอย่างนะจิต ท, ที่ทําสมถะจิต ท, ที่เดินวิปัสสนาจิต ท, ที่ใช้ทําสมถะ สงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวโดยที่ไม่ได้บังคับจิต ท, ที่ใช้เดินวิปัสสนานะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นสภาวะทั้งหลายผ่านมาผ่านไปจิตนั้นะไม่เข้าไปคลุกจิตดูอยู่ห่างๆนะดูด้วยความเป็นกลางไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายนี่ฟังแล้วยาวนะยาวแล้วอัดเทปไปฟังเอาก็แล้วกันต้องฟังหลายๆทนะีมีอยู่คนหนึ่งนะเขาบอกพูดจาน่ารักเขาบอกว่าเขามีซีดีหลวงพ่อแผ่นเดียว แล้วเขาไปฟังชีวิตเขาเปลี่ยนหมดเลยในเวลาไม่ไมนานเขาก็เลยไปทำา DVD เานีนี้แผ่นเดียวไม่พอลนะซีดีแผ่นเดียวไม่พอไปทำา DVD ที่หลวงพ่อเทศนะ์นะหลายสิบกันเลยนะเขาแจกอย่างเงี้ยเขาแจกเขารู้สึกว่าเออฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรเงี้ยพวกเราทำแบบเนี้ยเยอะมีเยอะเลยพอไหวไหม ฝึกให้เป็นผู้รู้สังเกตไหมจิตไม่ค่อยเป็นผู้รู้แต่จิตชอบเป็นผู้คิดดูกออกไหมจิตไหลไปคิดตลอดไหลไปคิดหรื อ, อยังดูออกไหมนี่หัดดูอย่างนี้แหละนะฝึกไว้แบบนี้นะตอนนี้เลยเกิดสองจำพวกผู้คิดกับผู้เพ่งรู้สึกไหมมี2อําพวกมนุษย์สองประเภท น, นี่หัดรู้ทันของเราไปอย่างนี้นะนี่ไม่ใช่ปาฏิหาร ใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่เห็นจะยากอะไรเลยใครเป็นผู้เพ่งบ้างยกมือสิใครเป็นผู้รู้บ้างใครเป็นผู้คิดบ้างโอ้ผู้คิดกับผู้เพ่งมันน่าจะคนละเวลากันนะไม่ใช่มือซ้ายเป็นผู้รู้ ผ, ผู้ผู้คิดนะมือนี้เป็นผู้เพง่งเอาไงกันแน่แล้วตรงหัวนี่เป็นผู้รู้เอาหมดเลยเอาทีละอย่าง นะตอนไปเพ่งอยู่นะมันก็ไม่หลงไปคิดอะไรหลงก็ น, นิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวตอนไปคิดอยู่มันก็ไม่ได้ประเพงเอาไว้แต่ตอนที่หลงไปคิดนะแต่ตอนที่เพ่งอยู่ก็ไม่ใช่ผู้รู้นะผู้รู้เป็นกลางๆรู้ไปสบายๆค่อยๆหัดสังเกตนะสังเกตไปจอเราชำนิชำนานเนระรู้เลยจิตชนิดไหนใช้เดินปัญญาจิตชนิดไหนใช้ทำความสงบนะฝึกเอานะไม่ยากหรอกเนี่ยสอนจนละเอียดยิบอย่างนี้เลยนะสอน เหมือนคนโบราณเลี้ยงเด็กมีกล้วยอยู่ลูกหนึ่งนะเอาช้อนมาขูดขูดขูดแล้ค่อยๆป้อนหนพ่อก็ขูดกล้วยให้กินเลยเนาะฝ <laughs> ึกเอานะฝึกเอาออาต่อไปตัวดกันบ้านวันนี้ทำไมเทศยาวเฮ้ยนี่มันไม่ใช่รอบเช้า <laughs> อ่ะนี่มัน9ก้าโมงกว่าแล้วอ้าวเชิญ เ, เห็นสภาวะมันเฉยๆนะคะหลวงพ่อแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเฉยเพราะว่าเราเพ่งหรือว่าเฉยเพราะว่าเราปล่อยไปเลยอะคะ่ะตอนนี้เหรอไม่ใช่คะ่ะตอนนี้ตื่นเต้นเฉยเฉยดูง่ายๆนะถ้าเฉยเฉยแล้วเราเพ่งไว้มันจะแน่นจะอึดอัดเราจะดูด้วยตัวเองก็รู้ละทีนี้เนี่ยทุกครั้งเวลานั่งสมาธินะคะมันจะไหล แต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอหลังจากฟังเทศหลวงพ่อเสร็จแล้วเนี่ยนั่งปุ๊บมันรวมมากรวมอย่างไม่เคยเจอแล้วจิตมันถามขึ้นมาว่าเดินไปยังไงต่อ ก, ก็ตอบไปอย่างนี้นะออก็พุทธโธต่อแออออออตอว <laughs> ่าก็คือดูอย่างนี้ไปเรื่อยดูอย่างนี้แหละมันถอนออกมาก็ดูมไปค่ะมันไม่ไม่เคยเป็นแบบนั้นเลยก็เลยตกใจว่าเอออะไรจิตเป็นสมาธิก็ตกใจผมไม่ ที่จิตโกรธจิตโลภจิตหลงไม่ตกใจนะเพราะมันเกิดบ่อยจิตเป็นสมาธิตกใจแล้วไปหัดเขาที่ทำอย่างนี้ก็ดินมาถูกทางแล้วทอย่างเดินมาถูกทางแล้วนมคะที่ทำอางน้กม่ถูกทางล้นะะีอยก็เินมาถูกาแล้วนะที่ทัอยางนี้กเมาถทางลนะคะที่ทอ่าก็คิดมิดตามแล้วก็งงอมงแล้วก็สงสัยรู้ไหมรูล้คะ่ะเอ่า้ได้คำอย่างี้ก็เดินมาถแล้วนะคุ้่ยางนี้เรนารูงแล้วหยม ฟุ้งไปแล้วสักพักอะค่ะก่อจะกลับมาลูนานไหมพักหนึ่งเนี้ยก็ไม่นานมากค่ะไม่นานมากนานชัดเท่าไหร่ไม่ถึงนาทีค่ะไม่ถึงนาทีค่ะไม่ถึงนาทีนะใช้ได้อย่าให้เกินนาทีก็แล้วกันขอกันบ้านด้วยค่ะไปทําอีกสินะรู้หลักแล้วไปทําเอาเอานัดก็เมื่อกี้ที่ฟังหลวงพ่อพูดอะค่ะทิเทศเมื่อกี้ก็ ก็มีตื่นเต้นบ้างแล้วก็สนใจฟังบ้างค่ะก็จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงที่นี้คือมันก็คิดคิดขึ้นมาว่าจะตั้งคําถามอะไรดีอะค่ะก็คิดว่าตอนนี้ไม่ได้คงไม่ได้ติดปัญหาอะไรเป็นพิเศษก็เลยอยากจะถามว่านัดควรไปใ น, นอะไรเพิ่มไหมคะเพื่อทําบ่อยๆนะที่ฝึกมาตอนหลังๆเนี่ยสม่ําเสมอมากขึ้นน ะ, ะดะีโยมนครสวรรค์น้ำท่วมไหม ไม่ท่วมจะค่ะนมรสการค่ะมาอยู่วัดตอนนี้มีความรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงไปทุกวันนะคะจิตมันเปลี่ยนแปลงทุกวันแล้วก็มาวันสุดท้ายนี่แบบมันยอมรับมากขึ้นจิตมันก็เลยมีความสุขขึ้นไปดูที่หลวงพ่อชี้ให้ดูว่าจิตมันไหลไปที่อาหารเมื่อวานนี้ก็เลยตามไปดูว่าเอาวันดูอะไรมันก็ไหลไปแช่อยู่ข้างในบางทีมันก็ไปอยู่ข้างในแล้วมันก็ไปกดอยู่ ไปดูตัวนี้ค่ะแล้วมันก็พอออกมาได้บ้างเมื่อเช้านี้พอรู้สึกตัวปุ๊บจิตมันเห็นจิตที่หลุดดูดกระโดดออกมาเพิ่่งเคยเห็นนะคะดีแล้วก็พอมาตอนนี้ก็เห็นมันเกิดดับดีฝึกไปอันนั้นแหละเห็นไหมมันทํางานได้เองมันเป็นเองดูออกไหมัมันเปลี่ยนตลอดเวลาเนีมันไม่เที่ยงมันทนอยู่ในภาวะอันใดอันหนึ่งไม่ได้เรียกว่าเป็นทุกข์ มันเป็นไปเองไม่ใช่ตามที่เราสั่งนี่เรียกว่าอนัตตานะดูไปเรื่อยๆดีกราบขอบพระคุณค่ะเพราะว่ามาอยู่นี่เหมือนมาชาร์จแบตแล้วก็มาฝึกรูปแบบมากขึ้นค่ะดีแต่บางคนแบตเสื่อมนะชาร์จไมเท่าไหร่ก็หลุดหมดเลยของโยมแบตดีไม่เป็นไร <c oughs> กินไฟเปล่าๆ เ, เลยนะแบตบางอันชาร์จไว้ตั้งนานเลยพ <c oughs> อไปเสียบก็เอาหายไปหมดแล้ว เมื่อวานที่หลวงพ่อถามให้สังเกตว่าความเปื่อยมันเป็นยังไงบ้างค่ะมันลดลงไปค่ะแล้วโอก็ได้ไปเห็นว่าพบที่มันวนอยู่ข้างในนะคะมันก็มันก็วนอยู่ซ้ํำๆอย่างนั้นแล้วบางทีมันก็ออกมาเกิดดับข้างนอกมันก็สลับแต่ทั้งหมดคือมันมันมันวนของมันเองอยู่อย่างนั้นเองค่ะถ้าเราถ้าเราไปแทรกแซงมันก็จะมีปัญหาขึ้นมการดูจิตดูใจนี่ไม่ใช่การบังคับให้จิตนิ่งแต่การเห็นมันตามความเป็นจริง มันเกิดดับมันหมุนเวียนมันเปลี่ยนแปลงหลายคนไม่เข้าใจนะไปดูจิตแล้วไปบังคับจิตอะไรเงี้ยเราต้องดูไตรลักพอดีที่ที่พี่เห็นแล้วมันเหมือนกับมาครั้งนี้รู้สึกว่ามันยอมรับได้ว่ามันมันเปลี่ยนพบมันเปลี่ยนก็เปลี่ยนของมันเองอยู่อย่างนั้นมันทํางานของมันเองอย่างนั้นนะคะจริงๆไม่มีเราดูไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งปัญญามันปิ๊งขึ้นมามีแต่ธาตุแต่ขันนะแต่ไม่มีตัวเรา ธาดขันแต่ละอันแต่ละอันเกิดดับต่อเนื่องไปไม่มีตัวไหนเที่ยงไปฝึกไปใช้ได้ยังเพ่งอีกไหมคะเพ่งไหมล่ะรู้ไหมหลวงพ่อสอนหลักแค่นี้น้อยลงน่าตอบได้แล้วก็ใช้ได้แล้วก็ท้อแท้ท้อแท้มีไหมคะรู้สึกท้อแท้ทำไมต้องมาถามหลวงพ่อวะท้อแท้ไม่ท้อแท้อะหลวงพ่อยังไม่ท้อแท้เลยสอดทุกวันทุกวันเนสู้ตาย ก็จะเห็นว่าข้างในมันจะพูดเยอะพูดทั้งวันเลยพทั้งวันห้ามมันไม่ได้นะไม่ได้ฝึกห้ามนะมันพูดได้เองมันไม่คิดคำพูดเลยค่ะมันไม่คิดคำมันพูดเลยแล้วก็นั่นแหละแม่มันพูดได้เองสังเกตไหมไม่ใช่เราพูดนะมันพูดได้เองนั่นจิตนี่นะไม่ใช่เราหรอกการที่เราหัดรู้หัดดูไปเรื่อยเราเห็นมันทํางานได้เองถึงวันหนึ่งเรารู้เลยมันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองนะ ถ้าเข้าใจเมื่อไหร่ก็ได้เข้าใจธรรมะแหละดูว่ามันพูดเองเหรอคะใช่มันพูดเองไม่เล่ะร้องเพลงด้วยคะ่ะเออมันร้องเพลงได้เอง <c oughs> อ้าวใครจะคุยกยับหลวงพ่อเชิญร้อยสิบแปดการนมัสการหลวงพ่อครับก็ไม่ได้ส่งกันบ้านหลวงพ่อนานนะครับอก็เ อ, อจะถามว่ารู้สึกตัวถูกต้องหรือยังอะไรเงี้ยครับจิตคะแนนนี้ถึงฐานไหม น่าจะไม่ถึงครับดูจากอะไรล่ะคือมันยังรู้สึกไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ใช่นะจิตเนยังไม่เข้าฐานมันนะให้รู้เฉยๆอย่าไปเกลียดมันอย่าไปอยากให้มันดีด้วยครับถ้ามันอยากขึ้นมาให้รู้ทันว่าอยากนะ่เรียกว่ารู้ทันจิตนะครับที่ฝึกอยู่ดีนะใช้ได้ดีขึ้นแลลว เราจะเดินปัญญานี้ต้องทํำยังไงบ้างครดูกายกับใจแยกกันไหมแยกกันบ้างครับน้าของคุณจริงๆคุณหัดดูไปน้าโลกกระแทกมันก็เริ่มแยกออกไปแล้ว ร, รู้สึกไหมโลกมันห่างออกไปแล้วน่าดูไปนะไม่มีตัวเราแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนะกายกับใจนี่ก็แยกห่างจากกัน ค, ความสุขความทุกข์ก็แยกห่างออกไปใช่ไหมกุศลน้ากุศลก็แยกห่างออกไปของคุณตอนนี้ขาดอยู่ตัวเดียวคือสมาธิไม่พอครับถ้าสมาธิพอมันก็ตัดได้ แล้วมันเรื่องงานทางโลกมันงานมันเยอะไงครับเราเป็นบุญนะต้องคิดอย่างนี้นะเป็นบุญที่มีงานทําถ้าถ้าคิดได้อย่างนี้แล้วก็มีความสุขครับเออย่างดีว่ามีงานทํามีความสุขแล้ว ค, คิดได้อย่างนี้พอมีความสุขแนละ้วคิดดีแล้วก็ใจเย็นสบายแล้วสงบคราวนี้มาดูต่ออย่าไปโทษใจงานนะครับหลวงพ่อสมัยเป็นโยม ง, งานเยอะมากเลยครับ เราก็ภาวนาทั้งๆ ท, ที่งานเยอะนั่นแหละไปฝึกต่อใช้ได้แล้วละ่ะขาขดสมาธิ<ม>บ้างเท่านั้นแหละนะทความสงบบ้างนะห้าสิบนะสามกราบนรรมสการหลวงพ่อครับผมก็ถนัดเดินจงกรมนะครับเดินมันรอบๆส่วนสาธารณะนะครับแล้วก็าบางทีรู้สึกว่าโลกมันน่าเบือ่อแล้วก็ มันหนีไปไหนไม่ได้นะครับก็แค่เนี้ยครับผมดีดูมันต่อไปนะครับใจเป็นกลางกับความไม่ดีของโลกไหมความน่าเบื่อของโลกใจเป็นกลางไหมไม่เป็นกลางครับนะไปดูตัวนั้นแหละง่รู้สภาวะเทั้งหลายด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะไปด้วยปัญญามันเกิดมันจะวางตัวที่ทําให้เราวางได้คือตัวปัญญานะปัญญาเกิดจากการที่เราเห็นสภาวะด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง จ็ดส <73. S 2> ช่วงนี้เครียดมากเลยค่ะอะไ ร, รนะเครียดมากค่ะเครียดมันทำไมล่ะแล้วพอเครียดแล้วอยากพุโทโธคือหลวงพ่อเคยให้การบ้านให้พุโทโธวันละร้อยครั้งก็ไม่เคยถึงเลยค่ะได้ไหมไม่ถึงค่ะได้กี่ครั้งเต็มที่ก็ห6 0ถึงครั้งต่อวันนะเอาเยอะๆสิทำไมขี้เหนียวเอาสักร้อยหนึ่เวลาเวลารู้สึกตัวก็จะพุโทโธแล้วก็จะขีดเอาไว้ค่ะ นับแล้วมันไม่เคยถึงเลยค่ะอ๋อหมายถึงว่า50ครั้งแล้วมันหนีไปคิดเรื่องอื่นแล้งั้นแล้วเหรอไม่ก่ะห้ิครั้งนี่คือรู้สึกตัวค่ะที่รู้สึกตัวเนี่ยพุทโธได้ห้าสิบครั้งอ่ะก็เก่งสิบส่วนมากเขาเออพุทโธพุทโธแวบเดียวเขาก็หนีไปคิดละนี่พุทโธได้ตั้งห้ิบครั้งแต่แน่ใจนะตอนที่ขีดนะไม่เผลอเผลอค่ะเผลอเผลอไว้คิดนะค่ะเผลอคิดค่ะนั่นแหละมันเผลอคิดแหละ แล้วก็เวลาเดินเมื่อคืนลองเดินจงกรมนะคะตามรูปแบบแต่ว่าจะเพ่งค่ะเพื่อนบอกว่าเพ่งเพ่งก็รู้ว่าเพ่งนะ เ, ออเพ่งไว้ก่อนไม่เป็นไรเพ่งเล้รู้ว่าเพ่งแล้วมันค่อยๆ ค, ค, คลายออกเพ่งแล้วมันจะเครียดนะคะหลวงพ่ออย่าไปเครียดเลยสิที่เราเพ่งเพราะเราอยากดีเราอยากรู้ตลอดเวลาเรากลัวจะเผลออะไรเงี้ยก็ไปเพ่งดังนั้นถ้าเราภาวนาเราไม่ได้เริ่มต้นด้วยความอยากนะ คิดว่าเราจะเดินจงกรมรู้สึกตัวเรื่อยๆถ้าเผลอเราจะรู้ไวๆฝึก อ, อย่างนี้เดินไม่ได้หวังมรรคผลนิพพานอะไรหรอกเดินเป็นพุทธบูชาคิดอย่างนี้ะน ะ, ะถ้าเราไม่ได้หวังว่าจะเอาอะไรเนี่ยไม่เครียด ถ, ถ้าเดินด้วยความหวังจะเอาอะเครียดใช่ไหมค่ะเออใช่ลน ะ, ะเราเคยเป็นเราตอบได้ขอบพระคุณค่ะ82วันนี้จดมาเลยเหรอ กรรมนรรมสการค่ะหลวงพ่อคือหนูไม่ได้มาประมาณ6เดือนแล้วค่ะแล้ว6เดือนที่ผ่านมาเหมือนเป็นขาลงตลอดเลยอะค่ะเป็นอะไรนะเป็นขาลงอะค่ะคือการภาวนาขาหนูยาวมากนะตั้งหเดือนอะยาวมากเลยอะค่ะก็เลยอยากขอคําแนะนําของหลวงพ่ออะค่ะหนูภาวนาหรือเปล่าล่ะที่มันเปาหนูทำสม่ําเสมอเลยค่ะรูปแบบสม่ําเสมอทุกวันเลยถ้าหนูไม่ไปคิดเรื่องเจริญและเสื่อมนะก็ไม่มีขาขึ้นขาลงหรอก เนืออยู่กับปัจจุบันสิไม่มีคำว่าเสื่อมค่ะคืออย่างสมมติอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่รู้สึกตัวค่ะมันเหมือนสมมติความกังวลความสงสัยเกิดขึ้นมันมันก็รู้รู้พอเกิดขึ้นปุ๊บมันก็รู้เลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันมันมันไม่เคยรู้อย่างนั้นอีกเลยอะค่ะมันเหมือนมันต้องคิดคิดมาสักพักหนึ่งแล้วมันถึงจะรู้ตัวอย่างเงี้ยมันรู้ช้าใช่แล้วมันก็ เวลานั่งสมาธิมันก็ไม่สงบเลยอะค่ะเมื่อก่อนมันก็สงบหนูไม่ต้องสงบนะหนูพุโทโธไปเรื่อยๆก็ได้<ะ>นะพุโทโธหรือหายใจไปเรื่อยก็ได้แล้วคอยรู้ทันจิตไหนะจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านไม่ได้เรียกร้องให้สงบนะจิตหนีไปคิดแล้วรู้วัยวัถ้าซ้อมบ่อยๆต่อไปเวลามันหนีไปคิดนะไม่นานมันก็รู้สึกตัวแต่ถ้าเราไม่ได้ซ้อมนะเราไปมุ่งซ้อมจะเอาสงบอย่างเดียวนะเวลามันหนีไปคิดเลยหนีนาน พยายามรู้สึกตัวเรื่อยๆนะพุโทโธไปหายใจไปใจหนีไปคิดรู้ทันใจหนีไปคิดรู้ทันฝึก อ, อย่างนี้นะเอาเก้าสิบสาน้ำมัสกาดครับหลวงพ่อแล้วคนนี้อายุเท่าไหร่แล้วยีบสองแล้วหงพ่อนิดว่าเด็กส <c oughs> ักสปีเดี๋ยวนี้เราแก่แล้วนะ <c oughs> เห็นใครก็ดูเด็กหมดคือภาวนามาได้ห้าเดือนแล้วครับแล้วก็ เ, เริ่มเห็นกายกับใจเนี่ยทงานได้เองแล้วก็หลังจเห็นว่า ร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเออแต่ใจอะมันยังแน่นเป็นเราอยู่อยากให้หลงพ่อชี้นะสิ่งที่ผมยังติดข้องอยู่ครับไม่ติดข้องหรอกนะทําให้พอทําไปอีกทําให้เพียรมากขึ้นใช่ไหมคะใช่นะสม่ําเสมอนะที่ทําอยู่ดีแล้วใช่ไหมครับถูกแล้วนะถูกเป้เลยครับดูออกไหมโลกอยู่ส่วนโลกแล้วนะใช่ครับใจเราอยู่ตาหักดูออกไหมครับเออเห็นไหมกิเลสก็ส่วนกิเลสจิตก็ส่วนจิตดูออกไหมใช่ครับแต่พอเผลอเมื่อไหร่มันก็มารวมกันครับ ใช้ได้ดิบ้านอยู่ไหน<ง>อะสุนรปาการครับอืออยู่ไม่ไกลอ่าหลวงพ่อครับถ้าถ้าผมบวชมาอยู่กับหลวงพ่อได้ไหมครับ <c oughs> บวชมาอยู่ที่นี่นะต้องให้สงฆ์เขารับข้อมูลครับ <c oughs> แต่สงสัยสงไม่ยอมรับหรอกเพราะว่าถ้ารับนะองค์หนึ่งต้องออกไปมัน <c oughs> <c oughs> ไม่มีคุฏิให้อยู่แล้วนะ <c oughs> เรียนอะไรอยู่ล่ะตอนนี้อ๋อตอนนี้ทำงานแล้วครับเหลอครับภาวนาดีนะถูกใจหลวงพ่อนะดีอย่าขี้เกียจนะครับขอบคุณครับอย่าไปยุ่งหาฟงหาแฟนนะไร้สาระจริงครับอยู่ตัวคนเดียวแสนจะสุขครับ79ใจฝ่อเป่าเนี่ยบอกเงี้ยกรรมนมาสกการค่ะหลวงพ่อไม่ได้มาส่งการบ้านปีหนึ่งพอดีค่ะอืม ก็ได้เห็นอะไรเยอะเลยค่ะโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยมันเกิดอาการจิตมันหดโผมากอ mm hmm. กับอาการที่เราไม่ชอบทางความไม่สบายทางร่างกายอ mm hmm. แล้วเราก็ยินดียินร้ายกับมัน mm hmm. เราอยากจะให้มันสบาย mm hmm. แล้วนื่องจากมันไม่สามารถทําสมาธิได้อะะ่ะค mm ่ะ hmm. มันก็ฟุง้งแล้วก็ปุง mm hmm. ว่าเราจะเป็นอะไรที่มากมายอะไรอย่างนี้ mm hmm. นะคะ ก็ก็เห็นอาการทางจิตทางนี้เกิดขึ้นทีนี้ล่าสุดเ อ, อมันเกิดมีอาการแบบปวดหัวไมเกรนแบบสุดๆเลยค่ะนี่ก็นั่งเคลื่อนไหวมือสักพักหนึ่งมันก็เห็นว่าเอออาการปวดมันก็อยู่อยู่ส่วนของอาการปวดใเห็นหัวมันเต้นตุกทุกๆุกทอกทแล้วก็จิตเราก็เป็นผู้ดูเอ อ, อ, อยเล ย, ล<า>ยไม่ตกใจ เั้นนแหละเพราะถ้าก่อนมันจะตกใจเวลามันเกิดอาการทางร่างกายแบบนี้แล้วเราจะปรุงแต่งแล้วเราจะพยายามจะหาหมอหรือไม่ันก็ต้องพึ่งยาแต่วันนั้นก็ดูมันแล้วก็ลงไปนอนแบบผ่อนคลายมันก็นอนหลับได้แล้วก็ตื่นขึ้นมาแบบด้วยความรู้สึกว่ามันก็มีความดีใจและศรัทธากับตัวเองขึ้นมาศรัทธากับสิ่งที่เราได้เคยปฏิบัติมา ทำถูกแล้วหน้าอย่างนั้นแหละคือการหัดแยกธาตุอะแยกธาตุแยกขันธ์นะเห็นไหมร่างกายก็ส่วนหนึ่งความเจ็บความปวดก็อีกส่วนหนึ่งจิตก็เป็นคนดูไหมเราแยกได้สามขันธ์นะร่างกายเป็นตัวรู้ประขันความเจ็บปวดเรียกว่าเวทนาขันจิตที่เป็นคนรู้เนี่ยเป็นวิญญาณขันธนะหัดแยกไปเรื่อยๆนะดีทีนี้ขอเรียนถามที่นึงค่ะ กจ็จะมีลักษณะที่มันเหมือนเรายัางยินดียินร้ายกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นาไม่ไแล้วก็จะคลุกลงไปกับมันค่ะยินดีให้รู้ว่ายินดียินร้ายให้รู้ว่ายินรา้ายถ้ารู้ทันความยินดียินร้ายจิตก็จะไม่เข้าไปคลุกตรงที่จิตเข้าไปคลุกนะั้นเป็นการสร้างภพอันหนึง่งภนะพต้องเกิดจากตัณหาใจมันอยากใช่ใช่มันอยากหายตรงนั้นเลยเดี๋ยวนั้นทันทีอะไรเงี้ยอยากก็ไม่ไม่หายนะ ร่างกายมันยิ่งเกรงอยู่เลยค่ะใช่ยิ่งอยากยิ่งเครียดใช่ใช่เพราะความอยากนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ค่ะดีให้เรารู้ทันความอยากไปนะในสุดความอยากจะดับไปจิตเป็นกลางจิตเป็นกลางแล้วก็ดูไปกายส่วนกายความปวดส่วนความปวดจิตส่วนจิตหันดูอย่างนี้เรื่อยๆนะใช้ได้เลยละแล้วก็วันนี้ก็ยิ่งทําให้ได้ชัดเจนขึ้นรว่าเออเราเรายังขาดสมาถะ พราะว่าในช่วงที่มั น, มนเหมือนสติมันมันมันตั้งมั่นไอ้สติมันดีอะค่ะแต่ว่ามันไม่สามารถจะเอาวันไม่สามารถจะเอาความนิ่งของความสงบภายในที่ตั้งมั่นมาดูความเจ็บปวดได้ก็เลยตอนหลังก็เราใช้วิธีแบบผ่อนคลายาให้มันเกิดสมาถะมากขึ้นใช่นี่คนนี้จับหลักได้ผ่อนคลายทําให้มีสมาถะใช่ก็ ก็ต้องกราบขอพระคุณค่ะทำธรรมะของหลวงพ่อขอพระพุทธเจ้าแล้วก็ด้วยความศรัทธาด้วยหลวงพ่อไม่ขโมยลิขสิทธิ์ท่านแล้วก็ได้ได้พระอาจารย์หลายท่านรวมทั้งหลวงพี่ไพศาลด้วยค่ะดีหลวงพ่อไพศาลน่ารักนะค่ะทีนี้จะหลวงพ่อมีอะไรจะแนะนําเพิ่มเติมเพื่อทำต่อสินะทำอย่างที่ฝึกนี่แหละใช้ได้นะมีชีวิตอย่างผ่อนคลายนะค่ะใจสบายแล้วก็แยกธาตุแยกขันไป ถ้าเราเห็นความอยากของนั้นที่มันมีมากๆตรงนี้รู้ทันเลยรู้ทันความอยากทีนี้ถ้ามันทนไม่ไหวมันจิตมันแบบกระสับกระส่ายมากก็ต้องทุกไปก่อนก็ต้องทุกไปก่อนช่วยไม่ได้แล้วเพราะว่าจิตมันอยากว่าทุกแล้วแต่เดิมมจะใช้ยาเลยนะคะมันแต่ก่อนมันจะใช้ยาเพื่อจะให้เรารู้สึกมันเหมือนให้มันหยุดผ่อนคลายให้ได้แต่ตอนหลัก็จะสู้กับมันนะฝึกจิตให้ผ่อนคลายนะ48ขอบพระคุณค่ะ48 ทำราชการหลวงพ่ครับก็เขาโอกาสส่งการบ้านครับที่ผ่านมาก็คือไปทําในรูปแบบสม่ําเสมอมากขึ้นนะครับก็รู้สึกว่าจิตใจมีแนียวมีแรงดูในชีวิตจําวันได้สม่ําเสมอมากขึ้นนะครับดีถูกแล้วครับสังเกตบไหมขันมันก็แยกออกไปแล้วครับนะเนี่ยจิตถ้าขันไม่แยกออกไปรู้สึกไม่โปร่งครับแต่เดิมนะเราไปแบกขันเอาไว้นะมันก็หนักสิครับพอเรารู้ความจริงนะจิต เป็นผู้รู้ผู้ดูนัมันปล่อยขันออกไปนะถ้เบาสบายครับหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่ามันบังคับไม่ได้บังคับไม่ได้มันทำงานของมันเองใช้ได้เก่งครับหลวงพ่อมีอะไรแนะนำเพิ่มเติมไหมครับอย่าขี้เกียจนะครับขอบพระคุณครับ1ร้สิบนิมสักการค่ะขออนุญาตส่งกันบ้านค่ะก็ตอนนี้เห็นจิตใจมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างมันนั่งนี่ก็ เปลี่ยนแปลงตลอดเลยค่ะแล้วโมโหมันไหมมีแทรกขึ้นมาบ้างให้รู้ทันนะเราขี้โมโหค่ะเออแบบมันดูดูไปแล้วมันโมโหขึ้นมารู้ทันมันค่ะให้เป็นกลางแต่ว่าบางครั้งคือบางครั้งก็มีแทรกพอรู้ทันมันก็หายไปใช่ใช่มันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาหลวงพ่อแล้วก็ห้ามมันไม่ได้ห้ามไม่ได้เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคืออนิจจังนะห้ามไม่ได้คืออนัตตาเห็นไหมมันเป็นไปเองเป็นไปเองนะไม่ใช่เราหรอกเราสั่งไม่ได้ นี่แดูอย่างนี้ดูบ่อยๆพาอมีอะไรแนะนำไหมคะไปดูอีกดูอย่าชี้เจ็ดนะดูบ่อยๆแล้วอย่ารีบร้อนแล้วก็อย่าให้โทรศัพท์นแทรกโทรศัพท์แทรกเข้ามาให้รู้ทันนะไม่งั้นเดี๋ยวโมโหตัวเองโมโหไหมโมโหค่ะเอออย่าไปโมโหตัวเองสงสารมันแะ้วอ้าวยังมีเวลาอีกนิดหน่อยร2อยี่สิบห้านมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ เมื่อส่งกันบ้านครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนมีนาต้นปีหลวงพ่อบอกว่าให้ไปดูก็นี่ปลายปีแล้วก็หลวงพ่อให้ไปดูว่าระวังวิปัสนาก็เกิดจริงๆวิปัสนา เ, <อ>เก็ดจริงจริงเก้าเดือนที่หลังจากส่งครั้งแรกแล้วตอนนี้ก็ก็มาดูดูมาเรื่อยอีก9เดือนนี่ว่าเราแน่ใจไหมหลวงพ่อให้ไปดูโดดเนไม่มีเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารทํางานเอง ตามเหตุตามปัจจัย ม, มันเกิดแล้วมันก็ดับมันมาตามเหตุปัจจัยแล้วมันก็เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับปรุงแต่งอะไรทุกอย่างการรับรู้วิญญาณก็เหมือนกันก็ก็เลยดูจนแน่ใจก็เลยวันนี้ตัดสินใจจะสมกันบ้านก็ <c oughs> ดีแล้วละดีนั่นพ่อจะให้กันบ้านยังไงต่ออีกก็ดูต่อสิกิเลสอะไรยังเหลืออยู่เราก็ดูของเราเรื่อยไปทีใช้ได้ค่ะ <c oughs> ดูออกไหมมันมีความสุขผุดขึ้นองมันได้เองจิตมันจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานแล้วก็เป็นอย่างนั้นเลยตอนแรกไม่เข้าใจคำนี้ที่ตอนเราสวดมนต์เราก็ไม่รู้เมื่อหลายปีที่แล้วเอ๊เป็นอย่างนี้เองจิตจะตั้งมั่นเองรู้ตื่นเบิกบานถ้าเราเรารู้สึกตัวไว้ถ้าหลงไปเราก็รู้เจ้าค่ะรู้บ่อยๆนะหลงแล้วดีนะภาวนาดี ต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อมากเลยที่ได้คําสอนจากหลวงพ่อดูเป็นจับจับหลักไว้ตอนนั้นที่ได้รายงานมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็กราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงก็ตั้งจิตไว้ว่าตั้งสัจจะต่อหน้าหลวงพ่อว่าจะปฏิบัติจนกว่าชีวิตจะหายไหสาธุนะสาธุเพื่อให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ให้ได้ต้องอย่างนั้นสิเรื่องอะไรยังโง่อยู่กับทุกข์ต้องสู้อย่างนั้นแหละถูกแล้ เดี๋ยวนี้พวกเราพาวนาเก่งๆเยอะนะจิตนั้นมันยิ้มได้เองนะมันแปละอ้า้าว่าไปกราบน้ำมสการหลวงพ่อครับเออผมก็ฟังซีดีหลวงพ่อมาหลายครั้งแล้วครับคือหลวงพ่อเคยสอนไว้ว่าถ้าเกิดเรายังมีการปฏิบัติ ที่ยกว่าเป็นช่วงปฏิบัติกับช่วงชีวิตเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดใช่ไหมครับแต่ผมเท่าที่ผมลองดูรู้สึกว่าระหว่างช่วงที่เราปฏิบัติในรูปแบบเนี่ยกับในช่วงชีวิตจริงๆเนี่ยรู้สึกจํานวนครั้งในการเกิดสติะครับมันมันต่างกันค่อนอข้างมากไม่ไม่ใช่ประเด็นนั้นทําในรูปแบบนะกับปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยปฏิบัติทั้งคู่นะที่หลวงพ่อว่าแยกหมายถึงวนะ่าเวลานี้ปฏิบตัติเวลานี้ไม่ปฏิบัติเลย นะส่วนทําในรูปแบบนั้นก็ปฏิบัติเจริญสติในชีวิตประจําวันก็ปฏิบัติอันนี้ไม่ได้แยกนะบางคนบอกว่าเอ้าตอนนี้ไม่ต้องมีสตินะเอาไว้ตอนเย็นหนึ่งทุ่มไปแล้วถึงจะมีสติอย่างเนี้แยกนะส่วนการปฏิบัติในรูปแบบกับการเจริญในสติในชีวิตประจำวันนี้ไม่ได้แยกนะก็คือปฏิบัติทั้งคู่คือปเหมือนปฏิบัติทั้งคู่แต่ผลลัพธ์มันไม่เท่ากั น, เ, นเพราะนั้นหลวงพ่อถึงบอกว่าทุกวันต้องซ้อม ต้องทำในรูปแบบนะไม่เท่ากันหรอกไม่เท่ากันเป็นปกตินะเป็นปกติเวลาที่เราคอนเซนเทรตอยู่ในเวลาปฏิบัติในรูปแบบนะมันจริงจังกว่ากันได้แรงอยู่ในชีวิตประจำวันนี้ประเภทปฏิบัติถูถ่ายเอาตัวรอดเท่านั้นแหละถ้าอยากก้าวหน้าจริงๆต้องทำในรูปแบบด้วยเงั้นแรงไม่พอที่ฝึกอยู่ก็ดีนะฟู<อ>งซ่านไหม ฟังซ่านบ่อยมากครับนะ ร, บรู้รทันนะเราตรงที่ใจฟุง้งสมาธิมันน้อยมันทำในรูปแบบไว้อดีแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำอีกไหมครับนี่งานแน่แล้ว <laughs> เอาร้อยเก้าคนสุดท้ายผมฟังซีดีหลวงพ่อมาแล้วก็ไปตามหลวงพ่อที่สารนุงชินมามตั้งหลายเดือนนะครับก็จริงๆมีจิตตั้งตั้งใจว่ามีโอกาสไดนมัสการหลวงพอ่อ ครับก็โ อ, อกาสวันนบรรยากาศที่ดีเพราะมีเพื่อนๆที่มาจากทางอเมริกาแล้วก็มาพร้อมๆกันนะครับจริงๆคืออยากจะถามหลวงพ่อว่าสิ่งที่ปฏิบัติเนี่ยเวลาเราเจริญสตินะครับบางครั้งเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออเรารู้ทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นบางครั้งก็ไม่ทันนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เราคิดนะั้นคือใช่หรือเปล่าหรือว่าอยู่เป็นเป็นความคิดเราไปจับมันอีกทีนึ่งนะครับที่ฝึกอยุไดได้นะไปทำต่อไปดูไปเรื่อยๆดูไปสบายๆนะ ถ้าสงสัยขึ้นมารู้ว่าสงสัยไปเลยรู้สึกไหมล่ะโลกมันอยู่ห่างออกไปโลกไม่มีอะไรหรอกมีแต่ทุกข์ดุอย่องนั้นแหละนะดีนะพวกคนในเมืองไทยเขาเรียนแคานะมิงะนั้นลูกหลานต้องไปเรียนธรรมะจากชิคาโก้อยู่ลำบากเอาเชิญกลับบ้าน